อีกข้อที่สองนะว่าดอูอีข้อหนึ่งเมื่อพิกษุกระทำไว้ในใจซึ่งอพยาบาตรขออภัยซึ่งความพยาบาตจิตย่อมไม่เล่นไปไม่เลื่อมสายไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในความพยาบาตแต่เมื่อเธอกระทาไว้ในใจซึ่งความไม่พยาบาตจิตย่อมเล่นไปเลื่อมสายตั้งอยู่น้อมไปในความไม่พยาบาตจิตของเธอดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วออกไปดีแล้วพรากแล้วจากความพยาบาต อาสะวะเหล่าใดบังเกิดขึ้นเพราะความพยาบาทเป็นปัจจัยมีความทุกข์และความเร้าร้อนเธอพ้นแล้วจากอาสะวะเหล่านั้นไม่ต้องเสวยเวทนานั้นอันนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอพยาปาธาเนี่ยนะความไม่พยาบาทเป็นที่ถ่ายถอนความพยาบาทอันนี้พูดถึงหมายถึงผู้ที่เข้าเมตตาฌานเนี่ยนะเจริญเมตตาฌานเนี่ยให้ได้ฌานในจิตทั้งระดับปฐมฌานทุติยะฌานตาติยฌ า, าน เสร็จแล้วพอออกจากตาติยาชาเนี่ยลองคิดหาความชั่วของคนอื่นมคิดจะลองโกรธคนอื่นดูซิว่าโกรธเป็นหรือเปล่าเนี่ยนะพอผ้าออกจากเมตตาใหม่ๆเนี่ยคิดตำหนิคนอื่นไม่มีถ้าถ้าออกมาจากเมตตาเนี่ยนะเพราะคิดแต่น้อมประโยชน์ไปให้ผู้อื่นเพราะฉะนั้นไอ้คิดที่จะโกรธรังเกียจเกลียดชังผู้อื่นไม่มีแม้แต่หน่อยเดียวเพราะฉะนั้นเมตตาอัพยาปาทาหรือเมตตาเนี่ยนะเป็นถ้าเป็นที่สลัดออกจาก โทสะอันนี้ถ้าได้ระดับเมตตาฌานแล้วไม่โกรธเนี่ยนะจะจะไม่โกรธคิดให้โกรธมันยังไม่โกรธเลยนะเว้นไว้แต่ถ้าเสื่อมก็ไม่แน่นะถ้าจนทำถ้าต บ, บะแต่ก็ก็โกรธเหมือนกันแต่ว่าถ้าลำพังแล้วไม่โกรธเนี่ยนะเพราะเมตตาฌานเนี่ยนะหรืออัพยาปาทะความไม่พยาบามในระดับเมตตาฌานเป็นธาตุที่สลัดออกจากความโกรธแต่ถ้าสลัดได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะโดย ไม่กำเริบไม่เกิดอีกก็อนาคามีมักนะอนาคามีมักนี่เป็นที่ถ่ายทอนจากโทสะได้อย่างแท้จริงถ้าทั่วๆไปแล้วโทสะนี้ถามว่าเกิดจากอะไรนี่ยนะโทสะนี้ก็เกิดจากอภิยรอนิถารมใช่ไหมสิ่งใดที่จะเป็นอนิถารลมนะสิ่งนั้นอะ่ะแสดงว่ามันต้องมีอิทธารลมอยู่ใน ใกล้กันหรือในในส่วนเดียวกันเนื่องจากสิ่งนั้นอะ่ะมันเคยเกี่ยวข้องกับอิทถารมเนี่ยนะถ้าสิ่งไหนนั้นมันเกี่ยวข้องกับอิทธารมนะที่นั่นแหละจะเป็นที่ตั้งแห่งอ น, นิถารมและจะเป็นที่ตั้งแห่งโทสะในอะไรก็ตามนะถ้าพูดว่าถ้าเราไม่มีส่วนได้หรือไม่มีส่วนเสียเนี่ย น, นะเราจะไม่โกรธกับสิ่งนั้นเลยคนในโลกเนี่ยวันหนึ่งเนะี่ยตายมากนะแต่ทําไมเราไม่เสียใจ ถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้มีส่วนได้ไม่มีส่วนเสียก็จะตายวันละเท่าไหร่นะก็ธรรมดาก็นั่งอยู่เฉยๆอย่างนี้แหละนะพัดลมเป่าเย็นสบายแต่ถ้าอะไรถ้ามันเกี่ยวข้องกับเรานะ่ยเอาละครับนี้มันเดือดร้อนไปหมดแหละเพราะวัตถุใดเป็นที่ตั้งแห่งโทส ะ, ะแสดงว่าวัตถุนั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งโลภะเนีย่ยนะหรืออย่างอย่างแม้กระทั่งที่ดินข้าวของอะไรก็ช่างอะที่ ที่ดินก็เทั่วๆไปไม่เห็นเราไปเสียใจอะไรเลยไม่เห็นไปมีโทสะเลยนะแต่เพราะอะไรถ้ามันจะเกี่ยวข้องกับเราเนีเราจะมีโทสะกระสวนนั้นๆแต่ที่จะมีโทสะก็เพราะว่ามีโลภะในส่วนนั้นมื่อก่อนยังนึกชอบใจที่อัทธาเลนีท่านพูดถึงผู้ที่มีอโลภะอะโทสะอโมหะเนี่ยนะอะโลภะนี้ทําให้ไม่มีทุกข์ คือกำจัดทุกเนี่ยนะประเภทวิปโยกเนี่ยนะวิปโยกทุกไม่มีสำหรับผู้ที่มีอาโลพะนะอโลภาเนี่ยถ้าจากแล้วจะไม่ทุกถ้าอโทสะเนี่ยนะจะไม่มีสัมประโยคทุก วิปโยคก็คือพลาดสัมปโยคก็คือปร ะ, ประสบะถ้าโทโลพาณนะโลพาณจะตรงกันข้ามโลพานี่ถ้าสัมปโยคโลพานะถ้าถ้าเป็นอารมณ์ที่ตัวเองชอบนะโลพานี่ถ้าสัมปโยคนะ่จะชอบสัมปโยคนะไหเพราะโลพานี่ปร ประสงค์ที่จะประสบในอารมณ์ที่ตัวเองพอใจแต่ถ้าโทสะเนี่ยจะทุกเพราะจะทุกเออขออภัยโทสะจะดีเพราะวิปโยคหมายคำว่าถ้าได้จากนะโทสะจะชอบเนี่ยไหแต่ถ้าถ้าจะทุกนะโทสะเนี่ยจะทุกเพราะสัมปโยค โลภะจะทุกข์เพราะฟิปประโยคนมันจะมีสุขทุกข์แบบนี้อยู่นนะเนี่ยนะคือโลภะเนี่ยถ้าแม้ถ้าประสบก็แม้ยิ้มแป้เลยนะสุขแต่ถ้าจะจากทุกข์ละเนี่ยนะโทสะนี้อย่าลืมนะอารมณ์ของเขาต่างหากกันโลภะนี้อิทธารมใช่ไ้ยอิทธารมโทสะนี้อนิธารม อ่ะนะอนนี้ฐามณ์นี้อาจดวลำพังจริงๆอ่ะนะอาจจะดีก็ได้ของนั้นจะดีก็ได้หรือไม่ดีก็ได้ก็เป็นกลุ่มอันนิถารมณ์อิทธารมณ์นี้อาจจะดีก็ได้เป็นข okay. องดีก็ได้ของไม่ดีก็ได้ก็เป็นอิทธารมณ์สําหรับบางคนเนี่ยนะถ้าปกติโทสะนี้จะเกิดเพราะอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์ที่ดีก็เป็นอารมณ์ของโทสะได้สําหรับบางบางเรื <Diese API> ่องบางในเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นแต่ว่าคนนี้ไม่ชอบเมื่อไหรอันนั้นจะเป็นอนิถารมถ้าอิทธารมถ้าคนนั้นชอบเมื่อไหร่สิ่งนั้นจะเป็นอิทธารมทันทีเลยนะทีนี้ถ้าโลภะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าได้อิทธารมสัมปโยคะโลภะชอบถ้าอิทธารมแบบนี้ถ้าต้องจากโทสะไม่ชอบเอาข้อไปโลภะไม่ชอบก็เลยทุกทุกเพราะวิปโยคเนี่ยนะโลภะ แต่ถ้าโทสะนะถ้าได้อิทธารมต้องต้องประสบกับอิทธารมแล้วอ่ะโลภโทสะเนี่ยทุกข์ละต้องขออภยัยโทสะนะถ้าต้องประสบกับอารมณ์ที่ตัวเองไม่ชอบไม่น่าปรารถนาจะถ้าสัมปโยกแบบนี้ก็จะทุกข์แต่ถ้าจากโทสะนี่จะสุขทันทีเเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้กุศลมูลกุศลมูลคืออโลภะ อ, อโทสะเนี่ยนะ ผู้ที่มีกุศลมูลเหล่านี้จะไม่มีทุกข์ทั้งวิปโยคและสัมปโยโเนี่ยนะแต่ว่าโลภะก็มีสุขเหมือนกันสุขตอนสัมปโยคสุขตอนสัมปโยคโทสะก็สุขตอนวิปโยโเนี่ยนะก็บอกว่ามันหมดเรื่องหมดราวสักทีหมดปัญหาสักทีหนึ่งสบายแล้วเนี่ยนะก็สมมตินะเคยมีคนที่เราไม่ค่อยชอบหน้าไหมเสร็จแล้วถ้าต้องจากกับคนที่เราไม่ชอบนี่ถามว่าสุข สุขมากเมื่อจากกับคนที่ไม่ชอบใช่ไหมแต่ถ้าคนที่ชอบถ้าจากเป็นยังไงก็ทุกเนี่ยนะถ้าสุขเพราะประสบเนี่ยก็อยู่อย่างไงแหละแต่อย่าลืมว่าโทสะเนี่ยนะโดยทั่วๆไปก็เมื่อจะเป็นการลักษณะเปรียบกัน น, นะอารมณ์ไหนที่ที่เราจะมีโทสะคือเราจะไปเปรียบกับอารมณ์ที่เราเคยมีโลภเนี่ยนะ อารมณ์ที่มีโลภะส่วนใหญ่ก็จะมาเปรียบกับอารมณ์ที่เป็นโทสะนี่นะมันก็จะสลับขเข้ากันอยู่อย่างนี้แหละมันผู้ที่จะละโทสะได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะละโทสะอันนี้ได้ก็ต้องเจริญอะโทสะอะโทสะเป็นที่สลัดออกจากโทสะเนี่ยนะ นี่ถ้าอาวิหงสาบางนะว่าอีกข้อหนึ่งเมื่อพิกษุกระทําไว้ในใจซึ่งความเบียดเบียนจิตย่อมไม่เล่นไปไม่เลื่อมสายไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในความเบียดเบียนแต่เมื่อเธอทําไว้ในใจซึ่งความไม่เบียดเบียนจิตย่อมเล่นไปเลื่อมสายตั้งอยู่น้อมไปในความไม่เบียดเบียนจิตของเธอดําเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วออกไปดีแล้วพ้นดีแล้ว พรากแล้วจากความเบียดเบียนอาสะวะเหล่าใดบังเกิดขึ้นเพราะความเบียดเบียนเป็นปัจจัยมีความทุกข์และความเลวร้อนเธอพ้นแล้วจากอาสะวะเหล่านั้นไม่ต้องเสวยเวทนานั้นอันนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอาวิหิงสาความไม่เบียดเบียนเป็นที่ถ่ายถอนความเบียดเบียนเนี่ยนะอันนี้หมายถึงผู้ที่เข้าการุณาฌานเนี่ยนะเข้าเข้าการุณาเลยน ะ, ะกรุณานี้อารมณ์ก็เป็นยังไงบ้าง ลองเทียบเทียบดูนะ <c oughs> ธรรมะที่เป็นปฏิปัติต่อโทสะเนี่ยนะมีอยู่สองกลุ่มใหญ่คือเมตตากับการุณาทีนี้ถ้าว่าโดยอารมณ์เนี่ยนะเมตตานั้นมี สุขขิตสัตว์เป็นอ่ปิยะมนาปะนะมีปิยะมนาปะปิยะนี้แปลว่าเป็นที่รักนะนะมนาปะนี่เป็นที่เจริญใจเป็นที่เจริญใจส่วนกรุณานี้มีทุกขิตสัตว์เนี่ยนะะทุกขิตะก็คือแปลว่าผู้ที่เป็นทุก ย้อนมหาเมตตาอีกครั้งหนึ่งนะคำว่าปิยะนี่แปลว่าเป็นที่รักถ้าลำพังทั่วๆไปนะความรักเนี่ยจะเกิดเพราะอะไรก็เกิดเพราะเคยร่วมกันเนี่ยนะเคยอยู่ร่วมกันในปางก่อนเนี่ยนะอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือการเกื้อกูลในปัจจุบันเนี่ยนะ โดยลําพังทั่วๆไปแล้วลักษณะนี้อารมณ์นั้นจะเป็นจะเป็นที่รักเนี่ยนะผู้ที่เจริญเมตตาก็คือคิดว่าผู้ที่เราเจริญเนี่ยมีความรู้สึกให้เหมือนกับคล้ายกันแบบนี้ถ้าถ้าเป็นลักษณะเหมือนกับมันเหมือนกับเขาเคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นลุงเป็นป้าเป็นน้าเป็นอาเป็นปู่เป็นย่ามันก็มีความคล้ายๆกับมีความผูกพันกันแบบนั้นอันนี้อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับว่ามันเหมือนกับ เป็นการเกื้อกูลกันอยู่ตลอดเป็นคนที่ต้องเกื้อกูลกันนะอันนี้จะเป็นลักษณะของเมตตาคือสัตว์ประเภทแบบนั้นะจริงจะเป็นอารมณ์ของเมตตาถ้าปิยะอ่าขอมนาปะนี้เป็นที่เจริญใจอ่ผู้ที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญใจนี้ก็มีอะไรบ้า ง, างเช่นด้วยคุณธรรมต่างๆนะด้วยคุณธรรมคือศีลศรัทธาสุตะตะปัญญาเป็นต้นเนี่ยนะ ก็เอาคุณธรรมของเขาอย่างใดอย่างหนึ่งนะนะคุณธรรมที่เขามีอยู่จะเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญใจเนี่ยนะก็มองเข้าว่าเป็นบุคคลที่น่ารักกับ น, น่าเจริญใจแบบนี้แล้วก็ทำจิตให้เป็นแบบนี้มากมากก็ก็เป็นเมตตาละเนี่ยนะก็เป็นการเจริญเมตตาย้อ น, นิดนิดหนึ่งนะเมตตาคือการนำประโยชน์เกื้อกูลเข้าไปให้ เป็นการนำประโยชน์นำความเกื้อกูลนำความสุขเข้าไปให้สัตว์นั้นๆเนี่ยนะตัวเมตตามีบุคคลเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจเป็นอารมณ์แต่ลักษณะของเขาคือนำประโยชน์เกื้อกูลไปให้บุคคลนี้อันนี้เป็นเมตตาถ้าเป็นการุณาการุณานั้นมีสัตว์ที่กำลังได้รับความทุกข์นี่เป็นอารมณ์อย่างหนึ่ง ทีนี้สัตว์ทั้งหลายที่ทตกทุกข์นะเขาก็เอาธรรมะสี่อย่างมาจับหนึ่งทุกข์เพราะขติเนี่ยนะขติวิบัติอยู่นะเอาขติวิบัติมาจับว่า เ, าเขาเขาอยู่ในขติที่เป็นทุกข์นะเช่นเห็นสุนัขเป็นต้นก็นหน้าสงสารนะเขาเขาสัตว์อาบายเป็นต้นเนี่ยนะก็เอาขติมาจับอย่างหนึ่งข้อสองเอาอุปธิ วิบัตมาจับเพราะเขากำลังเดือดร้อนทางทางร่างกายนะเขาเขามีส่วนที่น่าเห็นใจทางร่างกายข้อ3ก็เอากาละเนี่ยนะเขาอยู่ในช่วงที่น่าน่าเห็นใจมากๆนะสมมตินะถ้าเจริญกรุณากับผู้ศึกษาพระธรรมในยุคนี้นะก็เจริญกรุณาได้แบบเขาเกิดมาในกาละที่ไม่ใช่สมบัติมากนะักเพราะฉะนั้นศึกษาพระธรรมก็น่าเห็นใจมากๆนะ หมอว่าไงนะใครอยากบำเพ็ญวิริยะบารมีก็เกิดยุคนี้มันถูกแล้วเพราะอะไรทุกอย่างมันยากหมดเลยล่ะงัน้นก็ต้องใช้ความเพียรค่อนข้างมากล่างั้นทีนี้ข้อสี่ประโยควิบัติเนี่ยนะประโยค่าวิบัตินนตเนี่ยนะถามว่าเขาหน้าการุณาด้วยเหตุผลสองในในหนึ่งเนี่ยเขาทุกข์เพราะกิเลส ทุกข์เพราะกิเลสทุกข์เพราะกิเลสเขาก็ทุกข์หนักห น, กหนาสาหัสอยู่แล้วแล้วก็วิบากต่อไปเนี่ยนะนี่คือความน่ากรุณาของสั์เนี่ยนะอีกอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึ่งนี่ก็พอมองมาถึงอุปธินะก็คืออะไ ร, ช า, ช, า ร, าระาชาติชรามรณะเนี่ยนะชาติชรามรณะนี่มันจะบวกอะไรโรคเนี่ยนะ ถ้าเป็นอย่างนี้นี่ถามว่า ก, ก็น้าการุณามากทีนี้เมื่อหน้าการุณาเนี่นะกรุณาเขาบอกว่าเป็นการนําความทุกข์ออกอน น, นความคิดที่นําความทุกข์เหล่านี้ออกเนี่ยนะคิดนําออกนะอันนั้นเป็นกรุณาน้อมไปเพื่อที่จะดึงความความทุกข์เช่นเขาเขาอ่า ปรารถนาให้เขาเข้าถึงคติที่เป็นสุขปรารถนาให้เขาได้รับอุปธิที่ดีเนี่ยนะก็หมดทุกแบบนั้นปรารถนาเขาให้ได้กาละที่สมควรปรารถนาให้เขาเนี่ยได้ประโยชน์ค่าที่สมบัติแล้วก็คติต่อไปเป็นคติที่สมบัติต่อไปเนี่ยนะก็คือคิดนําออกแบบนี้เป็นกรุณาซึ่งความจริงแล้วเขากําลังได้รับความทุกข์อยู่นะอันนี้เป็นการเจริญกรุณาเนี่ยนะ มันส่วนการเจริญเมตตากับการุณาก็สลับกันอย่างนี้ทีนี้เมตตานี้เรียกว่าอัพยาปาทะส่วนการุณานี้เรียกว่าอาวิหิงสา่านะอวิหิงสาอย่างนี้นี่แหละสลัดออกจากความเบียดเบียนคือสมมตินนะถ้าเราคิดว่าเขากำลังมีความทุกข์อยู่นะถามว่าอยากซ้ำไหมถ้าเรามั่นใจว่าเขาก็ทุกข์อยู่แล้วนี่นะ เขาก็คติวิบัติอยู่แล้วไงนะก็ไม่อยากจะไปซ้ําเติมอะไรเพราะฉะนั้นก็ไ อ, ไอความเบียดเบียนเนี่ยก็คือคล่ายๆว่าเข้าไปซ้ําเติมมากๆขึ้นให้เขาเจ็บปวดทุกทรมานมากๆขึ้นถ้าเห็นเขาทุกข์อยู่แล้วก็ไม่ต้องไปไปซ้ําเติมอะไรเนี่ยนะเพราะฉะไอกรุณานี้จึงเป็นที่สลัดออกจากอวิหิงสาก็ขออภัยจากวิหิงสากรุณานะออกจากความเบียดเบียน แต่ถ้าเบียดเบียนนะส่วนใหญ่นะถ้าคนจะเบียดเบียนกันเนี่ยเบียดเบียนอะไรบ้างก็คือ น, นําทุกเข้าไปให้ถ้าเบียดเบียนนะเช่นว่าขอให้เขาได้คติวิบัติอันนี้วิธีวิธีแช่างคนใช่ทั่วๆ่วไปนะอะไรเดียวนรกบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างเนี่ยนะก็อันนี้แหละขาดการุณาละอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็ดา่าเลขอให้ป่วยโรคนั่นโรคนี่ก็ด่าไปเนี่ยนะอันนี้ก็ขาดการุณา น้อมความทุกข์เข้าไปให้เขาอะนะไอ้อย่างหนึ่งขอให้ถ้าเขาทํานาก็ขอให้ฝนแรงเลยถ้าค้าขายก็ให้ฝนดีดีไหมค้าขายก็ฝนตกดีมากเลยนะเปิดร้านอาหารกลางแจ้งอะนะเสร็จแล้วก็ฝนดีมากเนี่ยนะแต่ย่างี้ก็เสียหายละเขขอให้ความทุกข์ที่เขาทําอยู่เนี่ยนะประโยคค่าคือกายะทุตจริต วจีทุจจิตมนโนทุจจิตขอให้ได้รับวิบากเร็วๆเวนี่ยนะอันนี้ลักษณะของผู้ที่ขาดกรุณาก็จะหยิบยื่นความทุกข์ให้เขาตลอดอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าความคิดเบียดเบียนแต่ถ้าเป็นกรุณาก็เป็นการนำความทุกข์ที่เขามีอยู่ออกนึกเอาออกเนี่ยนะมันผู้ที่มีกรุณาต่อสรรพสัตว์อย่างแท้จริงเนี่ยนะจงยกจึงยกมาเพิ่มเป็นมหากรุณาก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนี่ยนะพระ อ, องค์นะนําความทุกเหล่านี้ออกหมดให้เขาเช่นว่าไม่ไม่นำคติคือนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานออกด้วยการแสดงธรรมให้เขาบรรลุโสดาปติมัคเนี่ยนะทีนี้พระ อ, องค์ก็เวลาทําให้เขาบรรลุมรรคผลหรือแนะนําให้เขาเกิดในชาติที่ที่ดีแนะนําวิธีที่ทำให้อ่าไม่ต้องเป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะสอนเรื่องกุศลธรรมทั้งหลายให้เขาพ้นจาก ความเดือดร้อนต่างๆในเรื่องอุปธิเนี่ยนะสอนให้รักษาศีลเป็นต้นให้ดีเนี่ยนะแล้วก็กาละพระ อ, องค์ไปที่ไหนก็จะเป็นกาลสมบัติของที่นั่นเนี่ยนะเขาก็จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่พระ อ, องค์ก็จะแนะนําไม่ให้เขาทําประโยคะที่วิบัติโดยประการต่างๆเป็นเหตุให้เขาได้รับความสุขต่อไปนะภายภาคหน้าแล้วก็แนะนําให้เขาบารรลุมรรคผลเป็นต้นอันนี้เป็นพระมหาการุณาของพระ อ, องค์เนี่ยนะคิดบําบัดความทุกข์ของสรรพสัตว์ตลอด แล้วก็นําความสุขเข้าไปให้เสมอเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเมตตาก็เป็นเมตตาเป็นกรุณาแต่ถ้ามุทิตาเนี่ยนะมุทิตาปกติน่าจะเจริญง่ายใช่ไหมเนี่ยคือถ้าเราเป็นคนที่ <c oughs> ไม่ใจไม้ใส่ระกำนะปกติน่าจะเจริญง่าย <c oughs> เพราะว่า ปกติเนี่ยนะธรรมดาทั่วไปเนี่ยคนมันจะต้องมีที่มีดีอยู่บ้างแหละเพราะมุทิตานี้โดยสัพแปล ว, ว่าบันเทิงนะันะบันเทิงาการที่จะบันเทิงนนหนึ่งเอาคติเนี่ยคติสมบัติอย่างหนึ่งมาบันเทิงกับเขาโอ้ดีนะเขาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะเนี่ยนะอันนี้ก็บันเทิงกับคติสมบัติอย่างหนึ่งสองก็บันเทิงกับ อุปัิสมบัติอย่างหนึ่งสามก็บันเทิงเพราะกาละสมบัติแล้วก็สุดท้ายบันเทิงเพราะประโยคสมบัติเนี่ยนะประโยคนสมบัติเช่นเขามีศีลทางกายนะเขากายสุจริตอย่างเงี้ยนะเขามีวจีสุจริต เขามีมโนสุดเจริญแต่ว่าเราต้องทำความเข้าใจว่าออย่างหนึ่งว่าในโลกนี้นะปกติแล้วมันไม่มีใครดีสมบูรณ์แบบหรอกถ้าคุณอย่างมุทิตาให้ดีสมบูรณ์แบบนะจะบอกที่เจริญให้เอาไหมเขาไม่มีข้อหน้าตำหนิแม้แต่หน่อยเดียวเลยจะบอกให้เอาไหมใครจะเจริญคุณฑภาเอาไหมจะบอกให้เอาป่ะจะบอ ก, บอกไม่เป็นไรไหม ก็บอกว่าพรหมสุทาวาสเนี่ยนะเนี่ยนะคือผู้ที่เป็นพารหันด้วยนะพรหมสุทาวาสตอนนี้พราธหันก็ยังมีอยู่ที่แต่และพรหมสุทาวาสเพราะฉะนั้นนะคติท่านก็ดีพรหมโลกบรรเทิงได้เลยดีจริงๆอ่ะนะอุปธิไม่ต้องห่วงเพราะรัศมีของท่านเนี่ยแผ่ไปได้หลายจักรวาลมาก สบายสบายเนี่ยนะไม่ต้องพูดถึงป่วยเพราะอาหารก็ไม่ต้องกินอะไรไม่ไม่มีปัญหากาละท่านก็คือเหมือนกับพระไตรปิฎกเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นท่านอยู่ที่ไหนนะั้นมันดีหมดอะปโยคะเขาบอกว่าผู้ที่มีความดีทางกายก็ไม่เกินนี้แล้วนะความดีทางวาจาก็ไม่เกินนี้ทางใจก็บริสุทธิ์ถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะก็มุทิตาให้ได้เลย เดินยิ้มยืนยิ้มนั่งยิ้มคิดเตียงโอ้พรมสุท่าว่านี่ดีจริงๆะนะมุทิตาไ้ได้ตลอดเลยเห็นไหมแต่คนอื่นๆเราก็ต้องบอกเขาอาจจะมีดีส่วนหนึ่งก็เอาเอาหน่อยหนึ่งก็ยังดีแล้ว <c oughs> ก็เนี่ยสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในสี่ประการ่ะต้องมีบ้างละ่ะแต่ถ้าประโยคน์ค่าเขาอาจจะดีทางกายนะคิดถึงแต่ส่วนนั้นส่วนเดียวก็เขาดีตรงนั้นอ่ะ ค, คือต้องแยกมองอ่ะนะถ้าแบบถ้ามองแบบสายสุขภาพก็อา้าผิวหนังก็ยังดีก็ชมตรงหนังไปส่วนอื่นๆก็ไม่ต้องคิดถึงคิดถึงแต่เฉพาะหนังถ้าตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะตาเขายังดีก็ชมเรื่องตาอย่างเดียวตาเขาดนะีก็ยังเห็นได้ใช่ได้ก็ยกส่วนนั้นพอลนะอย่าไปคิดกระจายให้สมบูรณ์แบบถ้าสมบูรณ์แบบก็แนะนำมเมื่อกี้ว่าพรหมชั้นสุดทาวาสนี่จเจริญได้เลย ก็ยเยอะแยะเลยครับคารวาเป็นหมู่บ้านเล ย, ยเป็นหมู่บ้านเลยนะครับแล้วหมู่บ้านมันเป็นลหลายสิบตำบลอ่ะนะจนพระพุทธเจ้าบอกไม่ต้องมาถามหรอกคือบอกว่ามันเป็นความลําบากพระองค์อ่ะนะคละ้ายๆเป็นการเบียดเบียนพระองค์มากที่ต้องมาถามว่าคนนี้บรรลุอคนนี้ตายไปเกิดที่ไหนคนนั้นเขาบอกหมู่บ้านนี้ทั้งหมู่บ้านอนณาคามีกันซะส่วนใหญ่นะที่เป็นผู้ชายอ่ะนะแล้วก็ผ อ, อมีมากจริง ก็เป็นอนาคามีมเกิดสุทาวาตหมดเคยถ้าดูนะั้นมันมีอยู่ในพระสูตรหนึ่งดูในมหาประธานสูตรนะมหาประธานสูตรทีคณิกายที่พระองค์ไปเยี่ยมพรหมชั้นสุทาวาตอะ่ะบอกเอ๊สุทาวาตนี่เราไม่เคยไปเลยในในสังสารวัฏอันยืดยาวอยากกันนั้นเลยก็ไปไปที่สุทาวาตก็ไปขึ้นพรหมแห่กันไปเต้นไปหมดเลยนะมันก็ดูมหาประธานสูตรทีคณิกายเนี่ยนะเล่มเล่มนี้ก็ฉบับ เก้าสิบสิบเล่มสิบเนี่ยนะเล่มสิบมหาประทานสูตรแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องพยากรณ์ว่าพระอนาคามีที่ไหนเนี่ยนะก็ดูในสังยุตตานิ迦ในโสตาปฏิสังยุตน์นะ น, ตตตนั่นก็มีเนี่ยนะมีอยู่หลายแห่งที่พูดถึงอู้ชาวบ้านเขาไปเป็นพรมดูเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะถ้าถามถาพระภิกษุภิกษุณีนะก็บอกส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าปริณญพพานกันหมด แต่ถ้าถามว่าอุบาศกบ้านโน้นเป็นยังไงอุบาศกชื่อนี้เป็นยังไงอันนี้อนาคามีซะส่วนใหญ่ถ้าอุบาสิกาก็โสดาบังสกะทาคามีบ้างอะไรก็อยู่ยงั้นนะเนไถ้าเป็นสมัยก่อนนี่เขามีเยอะแยะไปหมดเลยไม่ก็นึกเจริญหายากนะอุบาสิกาก็นางวิสาขานะสวรรค์ชั้นนิมมานารดีเนี่ยนึกเลยนะโอ้นางวิสาขาทําบุญไม่มากเนาะบันเทิงจริงเนะาะจกมีความสุขต่อไปเนาะชายก็อ้าวคิดถึงอนาถาบินทิกะก็ได้มีความสุขเนาะอยู่ดุสิต เนะี่ยนางวิสาขาอยู่นิมมานารดีนาถาก็อยู่ดุสิตเนี่ยนะก็บรรเทิงให้ได้หมดเล ย, ยงี้ยนะแต่ว่ามันอดไปโกรธคนอื่นเขาบังไม่ได้นะก็นี่แหละก็เรียกว่าอาวิชานะความหมายของอวิชานี่แปลว่าไม่ได้สิ่งที่ควรได้ไปได้สิ่งที่ไม่ควรได้ก็บอกว่าทุตเจริญสามนะความชั่วทางกายวาจาใจมันไม่น่าได้หรอกแต่อวิชามันทําให้ได้ สุดจริตสามนะน่าได้มากๆแต่ก็ไม่เอาเห็นไหเขามีดีตั้งเยอะแยะไปหมดเลยนะไปตำหนิส่วนนี้ไม่ดีอยู่หน่อยเดียวเนี่ยนะอย่างว่าพระพุทธรูปองค์นี้งามมากเสียดายพูดไม่ได้น่นะก็อดไปตำหนิในส่วนนั้นไม่ได้เหนไหมทีนี้ต่อไปนะว่าข้อที่สี่เนี่ยบอกว่าอีกข้อหนึ่งเมื่อพิสุกะรําไว้ในใจซึ่งรูปทั้งหลาย จิตย่อมไม่เล่นไปไม่เลื่อมสายไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในรูปทั้งหลายแต่เมื่อเธอกระทำไว้ในใจซึ่งอรูปจิตย่อมเล่นไปย่อมเลื่อมสายตั้งมั่นน้อมไปในอรูปจิตของเธอดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วออกไปดีแล้วพ้นดีแล้วพรากแล้วจากรูปทั้งหลายอาสวะเหล่าใดบังเกิดขึ้นเพราะรูปเป็นปัจจัยมีความทุกข์และความเร่าร้อนเธอพ้นแล้วจากอาสวะเหล่านั้น ไม่ต้องเสวยเวทนานั้นอันนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอารูปเป็นที่ถ่ายถอนรูปทั้งหลายถ้าถ่ายถอนโดยวิคัมพนาปหาเนี้ต้องเป็นอารูปสมาบัตินะต้องเป็นระดับอารูปประชานเนี่ยจึงจะถ่ายถอนรูปไดอารูปประชานนะก็อย่างอาการา อ, อากาสารนัญจายตะนะก็ต้องล ะ, ะรูปประสัญญา ปฏิฆาสัญญาไม่ใส่ใจถึงนานตะสัญญาเข้าอากาสานัญจาตัะนะโดยบริกรรมว่าอากาโซอนันโตเนี่ยนะอากาศไม่มีที่สุดเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ที่ถ่ายถอนละรูปได้โดยวิขมพนะประหารก็คืออรูปประชานทั้งหลายผู้ที่เกิดอรูปประพรมก็ถ่ายถอนโดยวิขมพนะแต่ผู้ที่ถ่ายถอนรูปได้โดยสมุดเฉทก็คืออรหัตตมัก อรหัตตมรักนี้จึงจะถ่ายถอนจากรูปได้โดยประการทั้งปวงได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเบื่อนายรูปจริงๆก็เท่ากับปรารถนาอรหัตตมรักนะเนี่ยนะถ้าเบื่อจริงๆนะถ้ารังเกียดรูปเหลือเกินเนี่ยนะก็ปรารถนาอรหัตตมรักษ์จึงจะพ้นจากรูปอย่างแท้จริงส่วนข้อสุดท้ายบอกว่าอีกข้อหนึ่งเมื่อพิสุกทําไว้ซึ่งส ก, กายะทําให้ในใจซึ่งส ก, กายะส ก, กายะเป็นชื่อของอุปาทานขันห้านะคำว่า สกายะนี้โดยสัพแปล ว, ว่ากายของตนเนี่ยนะกายของตนก็คือเป็นชื่อของอุปาทานขันห้าจิตย่อมไม่เล่นไปไม่เลื่อมสายไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในสกายะแต่เมื่อเธอทําไว้ในใจซึ่งความดับสกายะอันนี้หมายถึงอรหัตผลนะนะจิตย่อมเล่นไปเลื่อมสายตั้งอยู่น้อมไปในความดับสกายะจิตของเธอดาเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วออกไปดีแล้วพ้นดีแล้ ว, พ ร, ลวพรากแล้วจากสกายะ อาสะวะเหล่าใดบังเกิดขึ้นเพราะสากายะเป็นปัจจัยมีความทุกข์และความเร่าร้อนเธอพ้นแล้วจากอาสะวะเหล่านั้นไม่ต้องสเสวยเวทนานั้นอันนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าความดับสากายะเป็นที่ถ่ายถอนสากายะเนี่ยนะหมายถึงผู้ที่บรรลุอรหัตผลเนี่ยนะโดยการพิจาจรณาสังขารแล้วก็อริยมรรคเกิดอริยผลเกิด เข้าอารหัตผลสมาบัติทีนี้เวลาออกจากอารหัตผลสมาบัติเนี่ยนะน้อมจิตไปยินดีในอุปาทานขันห้าสักขันหนึ่งนะไม่มีเรียกว่าน้อมไปเพลดิดเพลินในขันใดขันหนึ่งเนี่ยไม่มีเลยเนี่ยนะอันนี้แหละเป็นเรียกว่าอารหัตผลเนี่ยจึงเป็นที่ดับเป็นที่ถ่ายถอนส ก, กายะได้โดยประการทั้งปวงเนี่ยนะแต่คิดอย่างนี้นเะอ๊ะ ในการถ่ายถอนห้าประการนี้ศรัทธาข้อไหนมากที่สุดจางเกสุดาตั้งห้าข้อนะไหนถ่ายทอนข้อไหนดีนนอ๋อในเมตานะเราได้ข้อสองไปจางเกสอนข้อไหนดีดนอ๋อเอาเมตานะถ่ายถอนจากพยาบาทจางเนี่ ย, ยตั้งห้าข้อนี้ข้อไหนดี ข้อไหนดูแหม่นะ้ายื่นชมมากกรยิมมากอย่งนั้นเด้น่าสนใจเนี่ยนะเอเมตตานะเหมือนกันนะเอ้แต่ทั้งสามเจ้าเลยนะขนาดสมเอาทั้งสามเลนะเหมือนเมือนกันเลยเบบคุณวิลาวั น, นโอ้โหคุณวิลาวันนี่มาม า, มาลึกมาก น, น, นะนะดับสกายะเลยนะไม่เอาแล้วขันห้านะอขันนี้ก็ไม่เอาด้วยใช่ไห ม, ไมาสาธุ <laughs> ก็อันนั้นยังห่วงอยู่ไนงะโอ้โหขันนี้ไม่เอาไปห่วงขันนั้นด้วย น, นั่นไงรักไปรักขันไห น, นคุณถ้าพาข้อไหนดีนี่เฮ้ยมุทิตาไม่มี น, นั่นนี่ไม่เข้าห้าข้อเลยมุติตานี่นันไง ถ้าคือถ้าโดยทั่วๆไปนะข้อหนึ่งสองสามเน้นที่อนาคามีมั่งข้อสี่ห้าเน้นอรหัตตะมั่งเนีน่ยนะเข้อห้าขอไปข้อสี่เน้นอรหัตตะมั่งข้อห้าเน้นอรหัตตผลเพราะฉะนั้นก็มั่งน้อยนะอนาคามีก่อนนะถ้าถ่ายถอนโทรศัได้ก็อนาคตมีมั่งอนาคามีผลเนี่ยนะนะ ของมากได้ข้อไหนเอาหมดอะอ น, อดนี่ไงนี่นนมักน้อยกับโซ ด, ดานะก็มักน้อยกว่ารหัสไงแบบคุณชูศรีก็บอกเขามักน้อยก็โซดาก็พอละ